ในสิ่งที่ชอบทําให้ถึงพร้อมเนี่สยสติตะประโยชน์ปัญังทําผิดขั้งตนให้ของสาจะมาทั้งถึงความบริสุทธดหนึ่งเกตังพุทธานาสาสนางังนี่เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่ะคือชี้ในวันนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีองค์ใดที่จะแสดงให้แตกต่างนี้ไป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 จะส่งเสริมคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่บกคร่องนี้ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นด้วยคุณธรรมที่จะเจรดรับจากกองนิจั์ทุกขังหน้าตานี้ดังที่เราทั้งหลายไน้่มาบำเพ็ญอยู่เวลานี้และบำเพ็ญเรื่อยมานี่แลคือทางนำเ น, นเพื่อความลบดีปรีไทยทั้งหลายได้โดยลำดับจนกระทั่งหุดพ้นไปได้ถึงสิ่งที่พึงหวังจะเรียกว่านิจังเป็นของเทียงกาได้ เมื่อไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเข้ามาทำลายความมุ่งหวังไม่มีทาอะไรเข้ามาทำลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วเราจะเรียกว่านิจจังคือความเที่ยงก็ได้สุขขังอันเป็นรมรรมะสุขก็ไม่ผิดเราจะเรียกว่าอัตตาเข้ามาจิดเป็นตนแท้ตนในหลักธรรมชาติแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอัตตาที่เป็นคู่กับอนัตตาอันนั้นเป็นความสมมุติอีกขั้นหนึ่ง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 เราค้นรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระนี่เพื่อให้ยึดเอาสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาจากการค้นการพิพจารณานี้เป็นสิ่งที่ทำได้ดังที่เจ้าเคยดาเนินมาแล้วพิจารณาอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพแห่งทั้งสามร่างกายและสิ่งทั่ ว, วไปนั่นแหละเป็นอารมณ์ให้จิตท่องเราได้คว้หาที่พึงที่ยึดอันเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสาระคุณสาคัญท่าน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 ขะชาติพิ đ กขาชราพิ đu ขามานํำพิ đu ขังเราก็สวดซะจนชินปากแต่ใจไม่อยู่กับชาติพิ đu ขาชราพิ đu ขามันอยู่เนาะไปไหนก็ไม่รู้เขาเลยสักแต่ว่าสวดสักแต่ว่ากันไปเป็นทํานองทำเนียมไปแต่กิเลสที่อยู่บนหัวใจเรามันไม่ใช่ทํานองทำเนียมมันเป็นกิเลส จ, จริงๆมันก่อควรจริงๆทาความทุกข์ให้เราจริงๆเนี่ยการแก้กิเลสการแก้ความ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 คำว่าตัวว่าตัวได้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเนี้ยตัวนั้นเป็นตัวของพิษของภัยตัวของที่เดือดร้อนหาสะวะตัวของกองอย่างทุกขออ์ทางตาถึงต้องเสียดแทงอยู่เสมอเมื่อปล่อยธรรมชาตินี้ได้โดยสิ้นเชิงแนลยังไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปอีกถึงเวลาก็ไปอย่างสบายสบายหายห่วงมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปกินไปหลับนอนไปเหมือนกับโลกทั่วไปเมื่อถึงการแล้วก็ไปไม่มีปัญหาอะไรเลย